ภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสานิดาวิปนารสีดิเวสีสนิปปิฏานะบุตถาริษายะกาจิธรรมิกธากาิยาต ธรมกาโมวโหติอิมัสสะธรรมปริยาสะอัตโทสาธายสมันเตสกจังธรมโมโซตโบติณว <c oughs> ันนี้เป็นวันพันนารสีดิตถีที่สิบห้าค่ แห่งการกบัปบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายทั้งครหัตระบรรจิตต่างก็ได้เสียสละภารากิจของตนมาร่วมชมุมนุมเพื่อประกอบซึ่งกรณียกิจมีการไหว้พระ <c oughs>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 เป็นกิจอันดีงามควรแก่การศึกษากระทำบำเพ็ญให้เป็นนิจจสินเกิดขึ้นแกตนของตนเพราะจะยังผลกล่าวคือความเจริญมาสู่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายผู้กระทำ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 บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญในสิ่งที่ตนต้องการระบปัตนาหรือในชีวิตนี้ที่เราต้องการอันจะพึงบันดาลนำผลมาซึ่งเป็นเรื่องของความสุข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 ธรรมกามโมรวังโทติซึ่งแปลเป็นไปใจเป็นใจความว่าผู้ใคร่ในธรรมที่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญดังนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ความเจริญสัตว์ทุกรูปทุกนามที่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 เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแกรเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นธรรมดาและก็มีความแตกดับคือตายในที่สุดเป็นธรรมดาไม่มีสัตว์ใดที่จะร่วงพ้นจากสภาพดังที่กล่าวมานี้ได้เลยก็ เ, เหตุนี้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 ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตสงสารอยู่ตราบนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วแม้เราจะแตกดับทำลายขันไปจากพบนี้ชาตินี้เราก็ายังหวังความเจริญในภพหน้าในชาติหน้าอย่างนี้เป็นต้นให้แกตนทองตนอีกดัรนันความเจริญ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 บุปผาเอาบุปผามัยเหมือนกับความเจริญเติบโตของสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณของและไม่มีวิญญาณของเช่นอย่างเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์ความเจริญเติบโตเติบโตซึ่งปรากฏ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 ได้แก่ต้นไม้และพืชทุกชนิดแม้เราจะปลูกฝังลงไปในดินโดยเป็นมเมล็ดหรือเป็นหน่อเป็นต้นก็ตามเข้าประครบก็งมรดน้ำบนดินใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำทุกเช้าค่ำไม่ได้ว่างเว้นพืชทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ย่อมจะเจริญตัวของเขาอยู่ทุกขนาด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 เราจริงเข้าใจดูเหมือนว่าสิ่งนั้นไม่เจริญแต่เราทุกคนก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าไม่เจริญอย่างตัวของเราเนี่ยทุกอย่างก็เจริญมาโดยลำดับโดยลาดับตั้งแต่จาเดินนับจำเดิมตั้งแต่เราจิตติองมาสนที่อยู่ในคันข้องมารดาเราก็ได้อาศัยความเจริญนั้นโดยแท้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 พระผู้มียภากเจ้านมัสการพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์อันได้ชื่อว่าพระรัตนตรัยของเราเราทุกคนที่ได้น้อมกายไปอย่างนั้นน้อมใจใกลเปล่งวาจาละลึกไปอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นเราก็ได้เสียสระวัตถุมีดอกไม้ธูปเทียนตลอดถึงข้าวน้ำโภชนาหานซึ่งจัดว่าเป็นนามิสบูชา บูชาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันได้ชื่อว่าเป็นพระรัตนัตรายเป็นหลักใจของพวกเราชาวพุทธซึ่งเป็นหลักของระศาสนาเราทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแต่เราพูดที่กราบนมันสการนอบน้อมสักการ บ, บูชาปันทูปจนแสบฟูแสบตาอยู่นั่น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 กลางวันเราก็กราบตอนเย็นเราก็กราบกลางคืนเราก็กราบยิ่งกราบยิ่งเจริญเพราะยิ่งกราบมันก็ยิ่งดีบ่อยเข้าบ่อยเข้าอันนี้มันก็พอเห็นเพราะมันเป็นวัตถุมันพอที่จะวัดจะตวงกันได้กำหนดหมายได้เมื่อวัดตวงได้กาหนดหมายได้มันก็พอที่จะเป็นเครื่องจูงใจเราแม้ เ, เราเกิดความท้อแท้เหนื่อยหนาย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 เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องการและปรารถนาแม้แต่เราจะแตกดับทําลายไปจากภบชาตินี้แล้วถ้าไปนิพพานไม่ได้ตามที่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาเราก็ไม่อยากจะไปนรกก็ไม่อยากจะไปเกิดเป็นเปรต เ, เป็นสัตว์เดือดฉันอสุรกายและก็ไม่อยากจะไปตกนรก กุมใดกุมหนึ่งอยากจะไปสวรรค์มือ้อย่างต่าสุดก็อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ประกอบกระทําคุณงามความดีเช่นอย่างในปัจจุบันขณะ น, นี้มากยิ่งขึ้นต่อไปทําไมมาเกิดเป็นมนุษย์กว่าไปเกิดเป็นสวรรค์ก็แล้วกันเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือไปเกิดเป็นพระพรหมนี่ทํำไมไปนิพพานเพราะ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 โลกตัวนี้หมายว่งโลกรอลิงไม่ใช่โลกรอเรือคอไก่สะกดไม่ใช่คอฝวายหรื อ, อคอกดมีเรื่องของโลกกับเรื่องของธรรมเรื่องของชาติกับเรื่องของาศาสนานี่แหละให้เราทาความเข้าใจกว้างๆเราพูดกันติดปาก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 แต่ความเจริญจริงๆนั้นมันจะเจริญที่ใจคนเราถ้าหากว่าใจมันเย็นสัอย่างมันสุขสัอย่างมันสบายสัอย่างมันดีสัอย่างอะไรอะไรมันก็ดีหมดมันก็สุขหมดมันก็สบายหมดมันก็เย็นหมดแตนี่ว่าความคำว่าสุขความว่าเย็นเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันบอกถึงผลของผู้นั้น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 ผู้ใคร่ในธรรมชื่อว่าเป็นผู้เจริญดังนี้ท่านไม่ได้เที่ยวอื่นนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ า, ากว่าเราใคายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ของเราเองซึ่งเป็นอดีตปฏิตารม์รูปารม์อารมณ์คือรูปที่เป็นอดีตล่วงแล้วไปเสียงที่เป็นอดีต มันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความสุขได้ความเพลิดเพลินได้แต่ปรากฏว่าผู้นั้นน่ถ้ายิ่งมีความสุขความเจริญมากเท่าไหร่ปรากฏไม่เจริญเท่านั้นอย่างพระเราเนนเราบาสกอุบ า, บาสิกาชาววัชชวาอุสากรารุพุทธเจ้าป ร, รกป ร, รกพระธรรมเจ้าปรกบร ก, รรกพระสังฆเจ้าป ร, รกป ร, รก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 นี่แหละนั่งหลับตาภาวนาหาลูกหาเสียงหากินหารถเคิบมเพิ่มไปกับตาหูจมูกริ่นกายใจของตนใจจอมปลอมของตนทำไมจึงว่าใจจอมปลอมของตนใจที่มันเจือด้วยราคะโทสะโมหะนั่นแหละใจปลอมรู้ปลอมาศาสนาไม่ได้สอนให้เอาสิ่งเหล่านั้นแต่สอนแก้สิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ใครในธรรมชื่อว่าเป็นผู้เจริญฟังให้ดีวิเคราะห์ให้ดีคำว่าราบยศสนเสริญซึ่งจะได้มาเพราะการประกอบอย่างใดเป็นเรื่องของโลกยกไปไม่เกี่ยวกิดทั้งหลายเหล่านั้นไม่จะเป็นกิจเพื่อ ย, ยังความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตนี้ถึงจะเฟื่องฟูได้ราบยศสนเสริญทรัพย์สิ้นครานนับไม่ถ้วน แต่ก็ไม่อาจที่จะรับรองชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นเมื่อแตกดับทําลายเและปิดอบายภูมิสีก็ไม่ได้รับรองไม่ได้ซื้อความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมโลกไม่ได้ไม่แน่นอนท่านจิงจัดว่าเป็นสิ่งที่ไรสาระไม่มีสาระแกนสารสาหรับชีวิตนอกจาก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 ทรัพย์สินคลานทั้งหมดรวมทั้งอัตภาพร่างกายกว้างสอกยาวานาคืออินรีทั้งหเป็นสมบัติของโลกเมื่อเรามีสิทธิก็ไปครอบครองเราควรจะต้องน้อมนําไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระแก่นสารให้แก่ชีวิตของเรามากเท่าที่จะมากได้ส่วนที่มันจะเป็นไป กับสิ่งที่ไล้ประโยชน์เราควรจะสงวนรักษาทีนี้คำว่าสงวนรักษานั้นถ้าเรามองออกไปไกลๆรักษาทรัพย์เรามีรา้ามียศมีสนเสริญมีสุขเราก็รักษานั้นมันเกิจเกดจากเหตุอะไรรักษานั้นหมนั้นมันกว้างทีนี้เมื่อไกลเข้ามาเราก็รักษาตัวของเราคำว่ากายของเรานั้น มันก็กว้างคนเราอาจจะมองเห็นเพียงแค่คืบเดียวว่างศอกเดียวยาวว้าเดียวของเจ้าของแต่ความจริงใ น, นเรื่องมันมากมันเกินกว่านั้นเพรา ะ, ะนั้นเราจริงระดับล้อมกายของเราล้อมรั้วให้กายของเราเพียงแค่สินนี้ก็พอพอแล้วนั่งสบายแล้วนอนสบายแล้ว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 มันกว้างใหญ่แค่ไหนเรามีศีลแล้วเอาไว้ไม่อยู่จะชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ถึงตาหูจมูกริ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสามารถที่จะปรามกิเลสคือราคาทโทสามโมหะซึ่งจะใส่ตาของเราเองเกิดไม่ได้อาศัยหูรูป <S <S <อ>เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ไขในธรรมในชื่อว่าผู้เจริญท่านี้ธรรมนั้นมันคืออะไรเราก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าโลกคืออะไรธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีความล้ในธรรมมากเท่าไหร่ความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรามากเท่านั้น ท่นี่ทําในที่นี้ก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้พากัานฝึกฝนอบรมซึ่งเป็นกิจวัตรประจําของเราแม้แต่ญาติโยมก็เหมือนกันบางท่านบางคนก็มีกิจวัตรประจําวันสมาทานศิณหน้าประจำสิณแปประจําบางท่านก็เจวันสมาทานอุโบโสถทศีลวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างทั้งวันลับ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 เมื่อเรามีธรรมะปฏิบัติทำเป็นส่วนภายนอกอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะต้องจูงใจนําใจนี้เราเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติภายในได้แก่การภาวนาคําว่าภาวนานั้นเราจะเพียงจะเข้าใจเพียงแคบๆ ต, ตื้นว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้คงหลับตาและลึกพุโทโธทําความรู้อยู่ในลมหรือ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 พ่อพุทธแม่พุทธรู้ทั้งนั้นแต่ว่าเราอยา่าทะนงตัวนะสําคัญว่าเรารู้ว่ารู้นั่นเป็นสิ่งแปรสิ่เป็นสิ่งที่ถูกไปหมดปรากฏว่าเรารู้แล้วนะเราทาไม่เป็นกราบพระก็กราบไม่เป็นกราบปรกปรกโรรกไปอย่างนั้นแหละไม่ถูกพระโดยซ้าไปคาว่ากราบไม่ถูกพระคือไม่ถูกลักษณะของผู้กราบที่ถูกต้อง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 ศึกษาให้มันรู้รู้แล้วทาให้มันถูกตามนั้นอย่าไปเที่ยวแก้อย่าไปงัดไปลือของเขาทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมยังพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเนี่ยเป็นคําสอนที่ออกจากโสดที่ไร้กลิ่นเหม็นด้วยประการตั้งตัวกลิ่นเหม็นคือว่า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 ไม่ชวนผู้ฟังนะเน่ยเกิดความใกล้ยินดีอย่างร้อยเปอร์เซมันมีกลิ่นเหม็นที่จะเป็นลบล้างให้ความเชื่อถือความนิยมร้อยเปอร์เซ็นน่นลงไปยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะสําคัญตัวไม่ควรจะสําคัญตนไม่ว่าเราจะทําจะพูดีจะรู้มากรู้น้อยก็าตามเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นคนวัดคนบ้านก็าตาม นี่แหละให้เราเก็บรวบรวมเข้าไปเป็นนะิตพิจารณาเราต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นขึ้นมาไม่รู้ให้มันรู้รู้แล้วทำให้มันเป็นพุทโธทใครไม่รู้บ้างลมหายใจเข้าออกใครไม่รู้บ้างเกษาโลมานะคาทันตาอ่ารู้กันทั้งนั้นแต่ทำเป็นหรื อ, อยังนี่แหละรู้เป็นปริยัตปฏิบัต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 จริงขอยุติเฮวังก็มีด้วยประกาศชนิดณ uh huh. โอกาสบัรนี้จะได้แสดงธรรมะซึ่งควรแกการศึกษาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้น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 ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเลียกกว้างๆว้างว่าพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอูบาศกอุบาิกาไม่ว่าจะเป็นภิกษุสา ม, มาเณรเพราะพวกเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ยชาติมนุษย์ชนเช่นคนและสัตว์มีความเป็นอยู่และกิเลสโดยทั่วไปก็ตามทีแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายนั้น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 และเป็นไปของชีวิตอย่างเราเราท่านท่านย่อมมีความเป็นอยู่และอื่นๆด้วยความรัดกุมโดยมีการควบคุมมีหลักและกฎเกณฑ์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 แม้แต่โลกคือสัตว์เดรัจฉานขอบเขตสีมาที่อยู่ของเราก็จํากัดไม่มากมายใหญ่โตโอทงนักโดยที่เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าในประเทศ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 นั่นคืออย่างน้อยอย่างวัดของวัดของเรานี่ก็มีอยู่ร้อยกว่าไรอันนี้เพื่อจะเชี่้เห็นถึงถูกจำกัดขอบเขตเรื่องการจำกัดขอบเขตนั่นก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่มีใช่ปัญหา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 ว่าทุกชีวิตเมื่อน้อมชีวิตเข้ามาหรือขึ้นสู่บนเส้นทางของคำว่าอัตธรรมกล่าวคือศีลและธรรมแล้วย่อมจกนำมาซึ่งความสงบระงับแม้แต่จะมีความวุ่นวายมาอย่างมากมายมาก่อนก็ตามเมื่อเรายกกายยกจิต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 คือบาปนานับประการจะมากด้วยความโลภความราโมกในทางจิต ด, ด้วยอนาจของกิเลสอย่างไรมาก่อนก็ถามคำว่าข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาคือศีลธรรมนั้น ย่อมสามารถยังบุคคลแรกสัตว์ผู้ที่น้อมกายและจิตขึ้นสู่ทางให้เป็นผู้มีกายอันสงบระงับมีวาจานสงบระงับมีจิตใจอันสงบระงับปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลายได้พิจารณารู้เห็นชอบอย่างนี้